ทวีรัานกลางสภาเร่งออกกฎกระทรวงคุมกระท่อมยานใช้กฎหมายพิเศษจัดการเครือข่ายยาเสพติดชายแดนใต้22สิงหาคม2568พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและหัวหน้าพักประชาชาติได้ลุกขึ้นตอบกระทู้สดในสภาผู้แทนราษฎรโดยยอมรับว่าสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยอยู่ในขั้นวิกฤต พร้อมเปิดเผยแผนนโยบายเชิงรุกของรัฐบาลในการปราบปรามเครือ ข, ข, ข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่โดยเฉพาะในพื้นที่3มจังหวัดชายแดนภาคใต้พันํำรวจเอกทวี ร, ระบุว่าปริมาณยาบ้าที่จับคุมได้ในปัจจุบันสูงถึงกว่า900ล้านเม็ดเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจจากเดิมที่เคยจับได้เพียง70ล้านเม็ดต่อปีและไอซ์กว่า 40,000 กิโลกรัมที่ถูกยึดได้ ทั้งหมดไม่ได้ผลิตในประเทศไทยแต่ถูกลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านโดยมีนัดค้ายาเสพติดรายสำคัญเป็นผู้บงการซึ่งคนเหล่านี้มักมีสายสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจและข้าราชการบางส่วนทำให้ดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องและสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจความมั่นคงและสถาบันครอบครัวของชาติ รามาวยุติธรามชี้ว่าพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสถือเป็นจุดยุทธศาสสําคัญของขอบวนการลําเลียงยาเสพติดข้ามชาติจึงได้เตรียมมาตรการสําคัญเพื่อจัดการปัญหานี้อย่างเด็ดขาดได้แก่การใช้กฎหมายฟอกเงินเพื่อยึดทรัพย์สินของผู้บงการ การใช้กฎหมายพิเศษอย่างกฎอายการศึกหรือพอรกฉุกเฉินกับผู้ขารายใหญ่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการซักถามและขยายผลโดยไม่กระทบต่อประชาชน นอกจากนี้พันตำรวจเอกเทวียังกล่าวถึงปัญหาการเกี่ยงว่างของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดยเตรียมมอบหมายให้ปปสจัดตั้งชุดเฉพาะกิจเข้าตรวจสอบหากพบการละเลยจะมีการรายงานตรงต่อคณะรัฐมนตรีทันทีพร้อมจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยานและพิจารณายกย้ายเจ้าหน้าที่ระดับล่างที่ทำงานในพื้นที่นานเพื่อตัดความสัมพันธ์กับเครือข่ายยาเสพติด สำหรับประเด็นพืชกระทอมพันตำรวจเอกทวียอมรับว่าการปลดล็อกที่ยังไม่มีกฎหมายควบคุมที่ชัดเจนในสร้างปัญหาอย่างหนักรัฐบาลจึงเร่งออกกฎกระทรวงเพื่อควบคุมการจำหน่ายไม่ให้วางขายได้อย่างเสรีและกำหนดจุดขายที่ชัดเจนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รมวยุติธรรมยังเห็นด้วยกับข้อเสนอให้มีการประเมินผลการปราบปรามยาเสพติดเป็นรายสัปดาห์เพื่อกระตุ้นการทำงานของทุกหน่วยงานและมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสุขและความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างแท้จริง